ในพระไตรปิฎกนะมีพระสูตรหนึ่งนะพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก็เป็นที่ประทับของท้าวสักกะหรือพระอินทนะ์นะมีคราวนึงเนี่ยพระอินทก็ออกไปจากวิมานนะที่ประทับออกไปทํากิจนะนะก็มียักษ์ตนหนึ่งเนี่ยพอรู้เข้าเนี่ยก็เลยตรงเข้าไปใน ก็ไปที่วิมานของพระอินทร์นนะแล้วก็ไปนั่งอยู่บนที่ประทับเลยนะอุกอาจมากยักษ์ตนนี้เนี่ยผิวพันธุ์ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะหมดหมองคล้าแล้วก็ตัวเล็กต่ําเตี้ยนะแต่ว่าไปประทับไปนั่งอยู่บนที่ประทับของพระอินทร์เทวดาเนี่ยก็ไม่พอใจนะ เทวดาที่เป็นบริษัทบริวารของพระอินทร์เนี่ยก็ต่อว่าดาทอขับไลนะ่ยักษ์ตนนี้แต่ปรากฏว่ายิ่งดา่านะยิ่งแสดงการโกรธเกรี้ยวยักษ์ตนนี้ตัวก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูหน้าเกลงขามกว่าแต่ก่อนนะขับไล่ไปเท่าไหร่เนี่ยนะ ยักษ์ตนนี้เนี่ยก็ยิ่งตัวใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยเืย่แล้วก็มีรังสีอ ม, มตะนะแรงกล้าขึ้นจากเดิมที่ผิวพันธ์มนมองตอนนี้นี่นะรัศมีที่น่ากลัวมันก็สว่างเรืองเลยนะเทวดามัรู้ทำไงนะก็เลยพากันไปหาพระอินทร์เลยไปตามาพระอินทร์แล้วก็เล่าเรื่องรไรฟัง แล้วก็บอกว่าเนี่ยสงสัยนะยักษ์ตเนี้กินความโกรธเป็นอาหารนะเพราะว่าเวลาเทวดาต่อว่าด่าทอขับไล่สยส่งนี่นยักษ์ตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีกำลังวังชามากขึ้นเรื่อยๆพรอินพอรู้ข้าวนี้ก็ตรงไปที่วิมานของท่านเลย น, นะแต่แทนที่จะขับไล่หรือต่อว่าด่าทอยักษ์นะ ก็พูดดีนะพูดดีด้วยพูดด้วยวาจาสุภาพไม่ได้แสดงความโกรธเคืองอะไรเลยเพราะยิ่งพูดยิ่งพูดเนี่ยยักษ์ตัวนี้ก็ตัวกห็หดเล็กลงหดเล็กลงหดเล็กลงรัศมีที่ดูหน้าเกรงขามก็ค่อยๆ ค, ยคยลายไปนะผิวพรร์ที่เคยดูสว่างเรืองนะ มันก็กลายๆปค่อยๆมองคล้ำ ม, มองคล้าลงไปเล็กลงไปเรื่อยๆนะรูปร่างของยังตนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยรู้สึกอับอายนะก็เลยหายวับไปเลยจากวิมานของพระอินทร์พระสูตรนี่ก็จบลงท่านนี้นะอันนี้ก็เป็นะจะว่าเป็นนิทานก็ได้แต่ว่าที่จริงแล้วนี่ก็เป็น ธรรมะสอนใจนะเพราะว่าไอ้ยักษ์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สวรรค์อย่างเดียวนะมันอยู่ในใจของคนด้วยในใจของคนทุกคนเนี่ยมันก็มียักษ์ตนเนี่ยซึ่งมันมีลักษณะเด่นก็คือว่ามันกินความโกรธนะเป็นอาหารเขาเรียกว่ามีความโกรธเป็นพักษาอาหารมไม่เหมือนคนเรานาะคนเรานี่ยิ่งกินอาหาร นะข้าวปลาอาหารตัวยิ่งโตยิ่งแข็งแรงนะแต่ยักษ์ตนนี้เนี่ยซึ่งอยู่ในใจของคนเราเนี่ยนะมันกินความโกรธนะเป็นอาหารงั้นเวลาแลวพอมีพอมันแข็งแรงหรือว่ามันเริ่มมีกำลังวังชา ม, มก็เริ่มไปก่อ ก, กวนนะไปรังแกผู้คนบางทีก็ไปพูดไม่ดีไปต่อว่าด่าทอคนมน่นคนนี้นะ ตรงทีเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากทำนะแต่ว่าตกในอำ น, นาจของยักษ์ตนเนี้มันก็เลยบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่น่าดูคนเวลาถูกต่อว่าด่าทอนะก็ตอบโต้พอยักษ์มันสั่งให้ดา่าคนที่ถูกด่าก็โกรธก็ด่ากลับพอดา่าด้วยความโกรธนะหรือพูดด้วยความโกรธนะ มันก็เติมอาหารให้กับยักษ์ตนนี่ก็ทำให้มันมีกำลังแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรที่รุนแรงนะเบียดเบียนคนอื่นต่อว่าด่าทอด้วยควมที่รุนแรงมากขึ้นแล้วถ้าคนอื่นพอถูกด่าแล้วเนี่ยก็ไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาด่ากลับตอบโต้กับนะมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มอำนาจเพิ่มพลังให้กับยักษ์ตนนี้ แต่ว่าถ้าทำตรงข้ามนะถึงแม้ว่ายักษ์ตนนี้เนี่ยมันจะสั่งให้ใครเนี่ยพูดไม่ดีนะทำไม่ดีแต่คนอื่นเนี่ยพูดดีด้วยทำดีด้วยนะหรือพูดจาสุภาพนะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธนะก็ทำให้ยักษ์ตนนี้เนี่ยในใจของคนคนนั้นเนี่ยนะมันก็ค่อย ัค่อยๆเล็กลงมีกําลังวังชาน้อยลงนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าการพูดดีการทำดีกับคนอื่นเนี่ยจะทำให้ยักษ์ในใจของคนนั้นเนี่ยมันรีบเล็กลงเท่านั้นนะจริงๆแล้วนในใจของคนเราเนี่ยมันมีไม่ใช่มีแต่ยักษ์อย่างเดียวนะมันมีเทวดาอีกด้วย หรือจะพูดแบบภาษาง่ายๆคือว่ามีทั้งตัวร้ายแล้วก็ตัวดีตัวร้ายนี่กินความโกรธเป็นอาหารยิ่งใครพูดไม่ดีทําไม่ดีมันก็เท่ากับไปเพิ่มกําลังให้กับตัวร้ายทําให้มีอํานาจครองจิตคลองใจคนคนนั้นมากขึ้นแต่ทุกคนเนี่ยมันก็มีตัวดีในใจด้วยและเวลามีใครก็ตามเนี่ยพูดดี กับนกอเนี่ยนะนอกจากจะทำให้ตัวร้ายในใจของนายกรนี่มันรีบเล็กลงแล้วนะเพราะไม่มีอาหารเนี่ยมันยังเป็นเป็นการเสริมกำลังให้กับตัวดีหรือเทวดาในใจของนายกอด้วยนั้นพอเทวดาหรือตัวดีเนี่ยในใจเนี่ยของนายกรเนี่ยมันมีกำลังมันก็สามารถจะไปเอาชนะนะ ยักษ์หรือว่าตัวร้ายที่อยู่ในใจของนายกอได้ก็ทำให้ไอ้ความคิดที่อยากจะทำร้ายตอบโต้พูดร้ายเนี่ยมันบนมันบนเทาเบ า, บาบางลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครพูดไม่ดีกับเรานะเพราะว่าเขากำลังโกรธอยู่นะแต่ว่าเราเนี่ยแทนที่จะพูดร้าย ต่อว่าเรากลับพูดดีด้วยแล้วก็ทำดีด้วยเนี่ยนอกจากมันจะเป็นการตัดอาหารไม่ให้ตัวร้ายหรือยักษ์เนี่ยมันเติบโตแล้วมันจะเป็นการเติมอาหารให้กับตัวดีหรือว่าเทวดาในใจของคนคนนั้นด้วยทำให้มีกำลังสามารถจะเอาชนะตัวร้ายนะ แทนที่จะปล่อยให้ตัวร้ายครองจิตครองใจแล้วทำอะไรที่ไม่ดีไอตัวดีนี่มันก็เข้ามามีอำนาจแทนแล้วก็มาน้อมใจเราให้เราทำดีพูดดีหรือว่ามีเมตตากรุณาด้วยอันนี้แหละเนี่ยพูะเจ้าจึางตัดว่าเนี่ยเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร น, นะแต่ระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรมันมีเรื่องราวนะของ นักสร้างหนังคนนึงนะที่มีชื่อมากในเวลาเนี้ยสตีเฟนสติลเบริร์กนะคนรุ่นอาตมานี่จะรู้จักดีนะแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักแล้วยเว้นมาเป็นนักดูหนังนะสตีเฟนสติลเบิร์กนี่ก็เป็นคนที่ชอบทําหนังนี่ตั้งแต่เล็กแล้วแต่เขาเราว่าตอนที่เขาเป็นนักเรียนเนี่ยอายุ ป, ประมาณสักสิบสอสบสามเนี่ยเขาไม่อยากไปโรงเรียนเลย เพราะโรงเรียนเนี่ยมันมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะอายุประมาณ 16-17 เป็นวัยรุ่นเนี่ยชอบแกล้งเขาแกล้งนี่ก็คงไม่ใช่แค่ด่าว่าหรือพูดจาดูถูกอย่างเดียวบางทีก็อาจจะตบหัวหรือว่ า, าแย่งเอาอาหารเอาของอที่มีค่าเนี่ยจับของเข้าไปด้วยซีเฟนนี่ก็ไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะไม่อยากเจอหน้า ขายใหญ่คนนี้แต่ก็ต้องไปโรงเรียนนะแล้ววันนึงเนี่ยเขาก็เกิดความคิดขึ้นมานะเจอขายใหญ่แทนที่จะวิ่งหนีเขาเดินไปหาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเ้ามีโครงการจะทาหนังนะตอนนั้นเ็ามีกล้องถ่ายหนัง8ปมิล น, นะสมัยนั้นมันไม่มีกล้องวิดีโอมีถ่ายหนัง8ปดมิลเขาเริจะทำหนังเรื่องตามล่า น, นาซีขาดพระเอกอยู่ คุณจะมาเป็นพระเอให้ชั้นได้ไหมขาใหญ่นั้นทีแรกกังงนะเอ๊ะสีเฟนี่มันจะมาไม่ไหนนะเพราะเรากแก้งมันเป็นประจำแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมาชวนเราไปเป็นพระเอกแต่สุดท้ายเขาก็ยอมนะตกลงนะสีเฟก็เลยทําหนังเนี่ยถ่ายหนังโดยมีขาใหญ่คเนี้เป็นพระเอกหนังก็ไม่ยาวนะแล้วก็ไม่รู้ว่าฉายที่ไหนด้วย แต่ปรกว่าหลังจากสร้างหนังเสร็จนะไอข้ขายใหญ่คนเนี้วัยรุ่นอันตะพานคนนี้กลายเป็นเพื่อนของเขาไปเลยเลิกแกล้งนะเลิกรังความนะแล้วก็กลับมีน้ําใจกับเขาเผลอคอยเป็นองครักษ์ให้กับเขาด้วยเพราะสเตเฟนเนี่ยตอนนั้นตัวยังเล็กอยู่เปลี่ยนไปเลยนะอันตะพันขายใหญ่เนี่ยที่คอยแกล้งสตนเตเฟนนตอนนี้กลายเป็น เพื่อนที่เดียไปแล้วเรือกวเปลี่ยนจากยักษ์นะกลายเป็นเทวดาจริงๆเนี่ยที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะว่าพอสเเฟนเนี่ยนะมีน้ำใจกับเขาให้โอกาสเขาได้เป็นดาราเพื่อนก็คือทำดีกับเขามันก็ไปเติมพลังให้กับตัวดีหรือตัวไฟดีในใจของขาใหญ่คนนั้น ถ้าไม่มีพลังมากขึ้นในใจของขายใหญ่คนนั้นมันก็มีตัวยักษ์หรือตัวไม่ดีตัวร้ายอยู่ด้วยนะแต่ว่าพอตัวใยดีในใจของขายใหญ่คนนั้นเนี่ยมันมีพลังเพราะว่ามันได้รับความเอื้อเฟื้อได้รับความสําคัญได้รับน้ําใจจากสเตเฟนเนี่ยมันก็มีกําลังจนกระทั่งสามารถที่จะกำํำราบยักษ์หรือว่าตัวไม่ดี ในใจของขาใหญ่คนนั้นได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะไอ้ตัวดีในใจของขาใหญ่เนี่ยมันไม่มีพลังนะมันมันเหมือนกับคนตัวรีบนะแต่ว่าไอ้ที่มีพลังก็คืออะไก็คือไอ้ตัวร้ายนะมันก็คอย ร, ง ร, ร, รังควานคนนั้นคนนี้เลยว่าคนที่ตัวเล็กกว่า อ, อย่างสเฟนเนี่ยแต่พอตัวดีในใจของขาใหญ่เนี่ยมันมีกําลังมากขึ้นนะ มันก็ไปกำราบไปทัดทานตัวร้ายในใจของขายใหญ่นะไม่ให้กำเริบเสบสารนะยังจากเดิมที่ชอบไปรับรบกวนรังควานกันแกล้งคนน้นคนนี้ก็กลายเป็นคนมีน้ำใจโดยเพราะกับสเตเฟนซึ่งเป็นคนที่ทำดีกับเขาให้โอกาสเขานะเพราะว่าแต่ก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่รู้สึกต่ำต้อยไม่ได้รับความสำคัญจากใคร เอาดีเด่นทางดีไม่แล้วก็เด่นทางร้ายแต่พอได้รับโอกาสนะจากสเ p ฟ e นเนี่ยเขาก็ความรู้สึกดีหรือตัวไฟดีมันก็มีกำลังแล้วก็ทั่งเปลี่ยนนิสัยของอตัวขายใหญ่คนนั้นเนี่ยให้กลายเป็นคนที่มีน้ำใจได้นเวลาเราเจอใครที่เขาเขาทำตัวไม่น่ารักเนี่ยพูดจาไม่สุภาพกันแกล้งเนี่ย ให้เรารู้ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีความดีในใจคนนะหรือมีตัวดีในใจแต่ว่าตัวดีมันอ่อนแอสิ่งที่เราควรจะทําคือช่วยเสริมพลังให้กับตัวดีในใจเขาหรือเติมพลังกับเทวดาในใจเขาเพื่อได้มีกําลังนะในการที่จะข่มในการที่จะกำกำราบไอ้ตัวร้ายหรือยักษ์ในใจของคนคนนั้นไม่ให้มาบงการชีวิตหรือการกระทําของเขาคนเรามันเปลี่ยนได้เพราะเห็นนี้แหละ เป็นได้เพราะว่าฝ่ายความฝ่ายดีในใจเนี่ยมันมีกําลังเหนือความฝ่ายไม่ดีหรือตัวร้ายนะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะนะอยู่ที่ว่าอะไรจะมีกําลังมากกว่ากันนะยักษ์หรือเทวดาในใจนะของเราดนั้นก็ไม่ใช่แค่เติมพลายกับเทวดาในใจของเราอย่างเดียวนะต้องช่วยกันเติมพลายกับเทวดาในใจขอ ง, ของคนอื่นด้วยไม่ว่าคนใกล้ตัวเช่นลูกนะหรือว่าเพื่อนฝูงนะจนกระทั่งไปถึงคนไกลตัว มันจะทำให้ความเป็นมิตรมันเกิดขึ้นแทนที่จะเป็นศัตรตูหรือเอาเปรียบเปียกเบียนกัน